สามยานวัตถุสูตรว่าด้วยยานวัตถุส า, สสาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงยานวัตถุ44แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุ 44. อะไรบ้างคือหนึ่งความรู้ในชาาและมรณะสองความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะสามความรู้ในความดับแห่งชราและมรณะสีความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะห้า ความรู้ในชาติหกความรู้ความเกิดแห่งชาติหกความรู้ในความเกิดแห่งชาติเจ็ดความรู้ในความดับแห่งชาติแปดความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติเ้าความรู้ในภพสิบความรู้ในความเกิดแห่งภพสิบเอ็ดความรู้ในความดับแห่งภพ สิบสองความรู้ในปฏิปทาในที่ให้ถึงความดับแห่งพบสิบสามความรู้ในอุปทานสิบสี่ความรู้ในความเกิดแห่งอุปทานสิบห้าความรู้ในความดับแห่งอุปทานสิบหกความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปทานสิบเจ็ดความรู้ในตัณหาสิบแปด ความรู้ในความเกิดแห่งตันหา19ความรู้ในความดับแห่งตันหา20ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตันหา21ความรู้ในเวทนา22ความรู้ในความเกิดแห่งเวทนา23ความรู้ในความดับแห่งเวทนา24 ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา25ความรู้ในผัสสะ25ความรู้ในผัสสะในวงเล็บ 26- ่สิบถึงยี่สความรู้ในสลายตนะในวงเล็บ 30- มสถึงสามสความรู้ในนามรูปในวงเล็บ 34 3 6 37ถึงความรู้ในวิญญาณในวงเล็บ38 40 41ถึงความรู้ในสังขารทั้งหลาย42ความรู้ในความเกิดแห่งสังขาร43ความรู้ในความดับแห่งสังขาร44ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร เหล่านี้เรียกว่าญานวัตถุ44ชาราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความค่้ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวโยนความเสื่อมอายุความแก่งงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชาราความจุติ ความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกราวมรตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตตินซีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมูสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะชาราและมรณะดังพน า, นามาชนี้ นี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยมรรคองค์ดนี้เท่านั้นคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมยานของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพรามในอดีตเหล่าไดเหล่านึงก็ได้รู้ชราและมรณนะได้รู้ความเกิดแห่งชราและมรณนะได้รู้ความดับแห่งชราและมรณนะได้รู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งชราและมรณนะ เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพรามในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็รู้จักชาาและมรณะรู้จักความเกิดแห่งชราและมรณะรู้จักความดับชาาและมรณะรู้จักปฏิปัทาให้ถึงความดับแห่งชาาและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่า อั ญ, ญวยาญของอริยสาวกนี้ชื่อว่าอันวยาญยของอริยสาวกนั้นยานสองประการนี้คือหนึ่งธรรมยาน2องอัญวยาญยานของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดพองอริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง พูดถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยยานอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสะแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไร ตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่สังขารมีสามประการนี้คือหนึ่งกายสังขารสองวจีสังขารสามจิตตสังขารนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย เพราะอาวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมยานของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนได้อย่างรู้แล้วสมณะหรือพราม์ในอดีตเราได้เ่าหนึง่ง ก็ได้รู้สังขารทั้งหลายได้รู้ความเกิดแห่งสังขารได้รู้ความดับแห่งสังขารได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพรามในอนาคตเหล่าได้เหล่าหนึ่งก็จะรู้สังขารทั้งหลายจะรู้ความเกิดแห่งสังขารจะรู้ความดับแห่งสังขาร จกรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอันวยะยานของอริยสาวกนั้นภิสุท์ทั้งหลายยานสองประการ น, นี้คือหนึ่งธรรมยานสองอันวายะยานของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดพอง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 ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพานบ้างยานวัตถุสูตรที่สามจบ 4. ทุติยานวัตถุสูตรว่าด้วยยานวัตถุสูตรที่สอง 34. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงยานวัตถุ7จ็ดสิบเจดแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่ายานวัตถุ77อะไรบ้างคือหนึ่งความรู้ว่าพระชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมี 2. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชารามรณะจึงไม่มีส แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปันจจัยชาราและมรณะจึงมี 4. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 5. แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงม right> ี 6. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 7. ความรู้ว่า ธรรมติติยานของชาตินั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดา8ความรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีในวงเล็บ9ถึง14 15ความรู้ว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีในวงเล็บ 16-21 ถึง 22ความรู้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีในวงเล็บ 23-28 29ความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีในวงเล็บ 30- 35 36ความรู้ว่าเพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี 37-42 43สา ความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี4ี่9 50ห้าสิบความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี 51-56 5เห้าสิบบจความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี 58-63 64ความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี ในวงเล็บ6 5 7 0บหความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี 72. ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี 73. แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี 74. ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี 75แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี76ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี77ความรู้ว่าธรรมติติญานของอวิชชานั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายานวัตถุ77ทุติยะยานวัตถุสูตรที่สจบ